พระใหญ่ยันไายตุ้มเทถุกผนใจแม้อาจเจ็บช้ำเดียวดายไม่กลัวว่าเสียใจโปรดเวไนคืองานฝ้าจงมุ่งใจมันไม่ถอยจุดหมายใจเพื่อคอย เชีอ ย, ย่านายบำเพ็ญต้องแบกรับปรับเปลี่ยนใจของตนก่อนก่อนเดินบำเพ็ญเ่าหลักธรรมมีอยู่กูฟ้าจงให้มาชักล้างผิดให้แกล่งและมั่นคง บา ก, กินดีมุง่งพร้อมต้นเพื่อส่องแสงใต้อุทิศไปจิตพุมเทสาคัญอดทนสักหน่อยอย่าปล่อยเวลาผ่านพันไปทุกชีวิตที่บังเพ็ญมุ่งหมายเช่นพูด ภารกิจสำนึกใจรวมแรงเพื่อก้าวไปเรียงร้อยใจรักจริงแบกงานภาระใหญใส่ใจงานนาะเมื่อโอกาสมาจงนำนาวาสู่จุดหมาย้ทนทางบิดบากินดีมุ่กล่อมตนเพื่อส่องแสง จิตพุ่มเทสำคัญส่งจริงใจและความรักถึงกันผ่านให้ได้อุปสรรค งานภาราใหญ่ใส่ใจงานนาเมื่อโอกาสมาจงนำนาวาสุจุดหมายหนทางบีบาังบยินดีมุ่งปลอมตนเพื่อส่องแางตายอุทิศไปจิตทุ่มเทสำคัญ อดทนสักหน่อยอย่าปลเวลาผ่านพันไปทุกชีวิตที่บำเพ็ญมุ่งหมายเช่นพูดผ่าแต่พาราคิดสำนึกใจร่วมแรงเพื่อก้าวไปเรียงร้อยใจรัก แบบภาคราชิตออสํานึกใจรวมแรงเพื่อก้าวไปเรียงร้อยใจยรัก